สตานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมกับวุนิธิปัญญาเปานานำเสนอรายการธรรมะรับรุ่นในทุกวันพุธเป็นช่วงของต้มโพธิบทวันนี้เรามาฝึกทำสมาธิกันสั้นๆ ส, สักครุ่งตังก่งอนที่จะไปฟังเรื่องของลมเรามาดูลม ห, หายใจกันนี่แหละวันนี้ตอนนี้ หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องตามลมสังเกตดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวคือตาแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้อาจจะใหายใจแรงๆสักสอสามครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราจดจ่อไว้ใส่ใจไว้ สังเกตดูนะที่ตำแหน่งนั้นแล้วก็ให้าย ใ, ใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาต่อไปลาพังเพียงแค่การสังเกตดูตัวฝั ง, ม, งมีหลายมิติที่แทรกซ่อนซ้อนทับอยู่ในนี้ลำพังเพียงแค่เราสังเกตดูลมหายใจมันเป็นการแยกแยะเป็นตัวสิ่งที่รวมกันให้เราเห็น ลมหายใจจิตและสติสติคือความระลึกได้พอมีสติเกิดขึ้นจากการสังเกตลมหายใจเมื่อไรกระบวนการการแยกแยะที่แยกจิตออกจากความเพลินจะเกิดขึ้นทันทีหายใจเข้าหายใจออกมาระลึกถึงลมความระลึกได้นั้นคือสติ การที่คุณใช้ลมหายใจเป็นคเครื่องมือแล้วเกิดสตินั้นเรียกพิธีการปฏิบัตินี้ว่าอาณาปานสติมีสติตั้งไว้ณนะที่ตรงไหนจิตเราก็ได้รับการรักษาณนะที่จุดนั้นจิตเราอยู่กับสติเมื่อไรความเพลินที่จิตจะเผลอไปน้อมไปเนื้เรื่องต่างๆก็จะลดลงลดลง พอความเพลินลดลงปัญหาอะไรต่างๆมันลดลงหวบเลยไม่ว่าจะเรื่องความกำนัดยินดีการฟุ้งช่านความคิดไปนในทางการจะลดลงทันทีสตินั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดสมาธิตมฟังให้เรารักษาสติที่เราตั้งไว้อยู่ลงหมยใจนี้ไว้ให้ได้ตลอดทั้งวัน เอาละตัมบูฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบ ก, กันมาสักครู่หนึ่งวันนี้เราจะมาฟังหัวข้อธรรมะแม่บทคำสอนที่พระพระุทธเจ้าท่านใดบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างการนำไปใช้งาน สอนบอกสืบทอดต่อกันมาเพื่ออะไรเพื่อเป็นประโยชน์กับคนรุ่นต่อๆไปตัมบูฟังธรรมะมันไม่ใช่มีเพียงในคำสอนคือถ้าเพียงแค่พูดพูดให้กันฟังแล้วมันก็แล้วๆเลยเนี่ยนะโมันก็ง่ายนะตัมวูฟังแต่ว่าจะต้องนำไปทำนำไปปฏิบัติ ด, ด้วย คนคิดดูสิว่าจะสิ่งที่ท่านสอนไม่ใช่เป็นสิ่งที่ท่านทำเลยมันจะไป work ได้ยังไงใช่ไหมละ่ะสิ่งอะไรที่ท่านทําท่านคนนาสิ่งนั้นมาสอนมันจึง work ต่อกันมาได้คนอื่นก็ได้ฟังสิ่งที่ท่านสอนเห็นจากสิ่งที่ท่านทําจึงทําต่อมาทําต่อมาเองตัวเองก็สอนต่อไปด้วย คนอื่นก็เห็นสิ่งที่เราทาเห็นสิ่งที่เราบอกสอนเขาก็ทาต่อไปธรรมะเนี่ยจึงจะไม่ขาดหมุนรากหมายถึงผู้ที่จะบอกสอนและผู้ที่จะทำตามไม่เป็นคนสุดท้ายก็จะมีการสืบเนื่องต่อไปอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยถ้าหยุดทั้งการทำหยุดทั้งการบอกสอนเมื่อไหร่ น, นั้นเนี่ยจะเป็นคนสุดท้ายวันนี้จึงอยากจะนําหัวข้อที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นะตัวว่างนะแต่ว่าเป็นข้อสังเกตของครูบาอาจารย์ในรุ่นต่อๆมาที่พอสังเกตตรงนี้เห็นแล้วก็จึงกําหนดหมวดธรรมนี้ขึ้นเพื่อที่จะว่ามีธรรมะประการอื่นที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติขึ้นไว้ มาสอดแทรกต่อเนื่องกันไปได้นั่นคือเรื่องของลมว่าด้วยเรื่องของลมวันนี้ในช่วงของใต้ร่มพุธิบทที่พระพเจ้าจะให้ทรามุฟังได้นั่งสมาธิกันสกักครู่หนึ่งแล้วก็ยกหัวข้อธรรมมาขึ้นเป็นแม่บทคาสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้นำเสนอว่าด้วยเรื่องของลม ลมนั่นเองตัวังลมคืออากาศที่เคลื่อนที่ไปมามันจะมีอยู่สองอย่างคือลมภายนอกและลมภายในลมภายนอกก็อย่างที่เราเห็นเห็นกันไม่ว่าจะเป็นลมร้อนลมเย็นคือที่อากาศมันเคลื่อนที่ได้เนี่ยนะเพราะว่ามีความกดอากาศที่แตกต่างกันหมายถึงพอมีอุณหภูม ต่างกันจากร้อนและเย็นที่พัดมาจากที่ร้อนมาที่เย็นคนรู้สึกโดนนั้นก็จะเป็นลมร้อนหรือเกิดจากความกดอากาศก็ได้มหมายถึง pressure คือความดันถ้ามีความดันแตกต่างกันอากาศมันก็จะเคลื่อนที่ไปถ้าเกิดว่าเป็นอากาศเย็นมันก็จะเป็นลมเย็นขึ้นมา ถ้ามันเคลื่อนที่ผ่านที่ที่มันมีฝุ่นด้วยมันก็จะเป็นลมที่มีฝุ่นลมนอกจากนั้นยังมีลมหัวด้วนลมเร็วลมช้ามีลมหลายประเภทนี้คือที่มีตามอธิบายอยู่ในคำบีวิสุทธิมรดุด้วยในส่วนที่เป็นอัตตกะาด้วยว่าลมภายนอกนั้นนี่ยมีหลายอย่าง ลมไผนอกเป็นแค่เรื่องกระนันมเฉยๆตัมบูฟังนี่กัปเจ้าก็พยายามจะพูดช้าๆนะเพราะว่ามีฟีดแบ็กจากตัมบูฟังว่าหลังๆมานี่พระมหาไพาบู์เริ่มพูดเร็วขึ้นแล้วคนนี้ก็พยายามจะพูดช้าๆหน่อยค่อยๆไปตัมบูฟังเหมือนลมมันไปช้าๆว่าด้วยเรื่องของลมไผ่นอกนั้น เป็นคำเกร่นนำเฉยๆที่สำคัญมันคือลมภายในของเรานี่ต่างหากลมภายในนี่ก็ยังแบ่งเป็นสองอย่างคืออากาศภายนอกที่เคลื่อนเข้าสู่ตัวของเราเป็นอากาศเข้าไปข้างในกายผ่านจากปอดไปกระวังลมไปตามส่วนต่างๆของร่างกายไปตามกระแสเลือดแล้วออกมา ลมภายในออกไปลมภายนอกระหว่างนอกออกเข้าไปข้างในหมุนไปหมุนมาเวียนกันไปที่เอาธาตุลมมาพูดวันนี้เพราะว่ามันสังเกตได้ง่ายคือมันเร็วกว่าเรื่องของน้ำเรื่องของอาหารคือธาตุดินธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟธาตุลมทำให้เราเห็นได้ง่ายว่า ลมภายในก็คือเหมือนกับลมภายนอกลมภายนอกก็คือเหมือนกับลมภายในอากาศที่เราหายใจเข้าไปไปตามส่วนต่างๆของร่างกายอากาศจากตามส่วนต่างๆของร่างกายก็ไหลออกมาทางปายนอกเวลามันเข้าออกตรงนี้เราเรียกว่าลมปราณหรือลมหายใจ เสีงลมปารานหรือลมหายใจมันก็ยังมีไปอีกสองอย่างคือหายใจทิ้งเฉยคือพอมันหมุนเวียนไปกายเราก็เสื่อมลงเสื่อมลงก็เรียกว่าหายใจทิ้งกายหรือลมหายใจที่ต่อกายไปแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือลมหายใจที่ต่อจิตไปจะต่อให้จิตนั้นไปสู่ความไม่ตายได้ไหม เดี๋ยวจะกัมาพูดถึงหัวข้อลมปรนาณ น, นี้กันอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือลมปากนอกจากลมปรนาณแล้วก็มีลมปากลมปากนี่ก็คือลมที่มันผ่านคอแล้วออกมาเป็นเสียงที่ตัมบูฟังได้ยินเสียงของข้าพเจ้าได้นั่นก็เพราะมีลมปากที่ตัมบูฟังได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถึงทุกวันนี้ ก็เพราะว่ามีลมที่ผ่านออกจากปอดของท่านแชนแนลให้ไปตามเส้นเสียงขคยอบไปจึงเป็นเสียงออกมาเสียงก็คือลมปากนั่นเองปากที่พูดไปนั้นก็จะมีลักษณะอยู่สองอย่างคือปากเหม็นหรือปากหอมปากเหม็นก็คือคูตาพานีปากหอมก็คือปุพพพานี หอมนี้บางทีก็ฟังแล้วก็ชุ่มชื่นหวานด้วยก็เป็นมะทุระพานีคือปากหวานก่อนนี้จะไปทำความเข้าใจเรื่องลมปราณเรามาทำความเข้าใจเรื่องลมปากซะก่อนลมปราณที่หายใจทิ้งกายหรือต่อกายหรือหายใจทิ้งจิตหรือต่อจิตจะมาพูดต่อจากเรื่องนี้คือลมปาก ลมปากแบบปากเหม็นหรือลมปากแบบปากหอมปากเหม็นเป็นอย่างไรคือไม่ใช่ว่าแบบมันมีแบคทีเรียและช่องปากมีกลิ่นอะไรเงี้ยนะท่นนั้นคุณก็ไปหาหมอฟันมันก็ไม่ยากใช่ปะใช้น้ายาบ้วนปากทำความสะอาดในช่องปากไม่ใช่จุดนั้นแต่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่พูดออกมาว่าเปรียบเทียบแล้วมันเหม็น หรือมันหอมหวานปากเหม็นก็คือพูดเท็จพูดสอเสียดคือยุยงให้แต่กันพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพอเจรอไม่เกิดประโยชน์ปากหวานหอมคือพูดคำจริงพูดสมานใหมตรีพูดไเระแล้วก็พูดมีประโยชน์ เราไปทำความเข้าใจไปทีละประการตัวฟังเกี่ยวกับลมปากคือลมภายในมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่พิเศษนะตัวฟังนะเกี่ยวกับเรื่องของลมปากนี้เพราะว่าการพูดคุยสื่อสารด้วยเสียงเนี่ยมันมีความซับซ้อนมีรายละเอียดมีภาษาต่างๆซึ่งไม่เหมือนสัตว์ เรสั่งเตให้ให้ฉลายขนาดไหนเช่นเรนจิมเบนซีช้างปลาวานที่ว่ามีการสื่อสารกันด้วยเสียงเนี่ยมันก็จะมีอย่างมากก็12ประโยคหรืออย่างมากก็ไม่เกิน20ประเภทเสียงที่สามารถออกเสียงแล้วสื่อสารกันนเช่นอันนี้คืออันตรายอันนี้คือหิวอันนี้คือเสียใจอันนี้คืออยากผสมพันธุ์ อันนี้คือเกี่ยวปาราศีมันก็จะมีประเภทของเสียงที่สัตว์อื่นเขาจะสื่อสารกันได้ประมาณไม่มากกาลัง20อย่างมากแต่มนุษย์นี่โอ้โหคือเป็นร้อยเป็นพันน่ะเป็นหลายหลายประเภทในการที่จะสื่อสารในสังคมได้เขาเช่แค่ว่าระบบการเมืองอย่างเงี้ยน ะ, ะยังระบบ สังคมงนี่นนะอย่างเรื่องการต่อคิวเรื่องนั้นนี่มันมันมีความซับซ้อนมาที่มีความซับซ้อนได้แบบนี้คือสัตว์ประเภทเดียวเลยจริงจงที่มันออกมาทางวาจาได้ซับซอ้อนมีรายละเอียดมากก็เพราะว่ามีระบบความคิดมีสมองพอมีความคิดมีสมองแล้ว มันก็ต้องมีระบบการสื่อสารความคิดเหล่านั้นให้ออกไปเข้าใจกันได้การสื่อสารตรงนี้ก็จะออกมาเป็นลักษณะของลมปากปากแล้วมันก็เชื่อมกันกระจว่าถ้าคุณคิดนึกตรีตรึกอย่างไรอย่างไรก็จะมีการพูดออกไปอย่างนั้นอย่างนั้นึงเป็ลนลักษณะของสัญญาท่านอนุบาได้ฟัง นิเปติกะสูตรในช่วงของขลังประสูติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกัปปเจ้าใด้นำเรื่องนี้มาให้ฟังถึงเรื่องของสัญญาว่ามีผลมีวิบากของมันคืออะไรพระบรมเจาอธิบายถึงคำพูดนี่แหละว่ามีสัญญาคือความคิดนึความตรีตรึกความหมายรู้ความกำหนดรู้ในเรื่องใดได้ได ก็ได้พูดอธิบายไปอย่างนั้นอย่างนั้นสัญญามีการเปลี่ยนแปลงไปพระสังขารสังขารมีการปรุงแต่งที่เป็นกรรมดีก็ตามกรคำชั่วก็ตามปรุงแต่งให้เกิดความสมบรูป โ, โดยการเป็นสัญญาอย่างใหม่ขึ้นมาสัญญาอย่างใหม่ขึ้นมาแล้วก็ถูกสื่อสารออกไปทางวาจานั่นคือลมปากลมปากมีความสําคัญต่อมาฝัง เพราะว่าใช้เป็นดอกไม้ก็ได้หมายถึงพูดดีๆมีความเช่มชื่นเยน็นสวยงามคือวาดภาพก็ได้ด้วยลมปากวาดภาพนี้คือไม่ใช่ว่าเห็นด้วยตาเลยนะแต่ว่าวาดภาพในจิตใจของคนฟังได้เลยนะด้วยลมปากนะหรือทิ่มแทงก็ได้นะวาจาคือห อ, อกปากนี่ ทิมแทงจิตใจของคนฟังก็ได้นะพูดให้เขาช้าใจพูดให้เขาเสียใจพูดให้เขากระเทือนใจพูดด้วยวาจาแบบเดียวกันเนี้เหมือนกันนะลมปากนี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนในเรื่องของลมภายในที่เป็นลมปากนี้ส่วนที่เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกันคือ ปากเหมน็นหรือปากหอมหวานปากเหม็นก็คือพวกทุปภาษสิทธิวาจาที่ไม่น่าฟังวาจาที่เกิดจากการปรุงแต่งมาด้วยจิตที่เป็นอกุศลมีอกุศลมีความคิดไม่ดีจึงกล่าววาจาที่ไม่ดีออกมาเป็นวาจาที่ทิ่มแทง เป็นกลิ่นที่เหม็นเป็นวัจจิจุริย์ส่วนถ้าเป็นวาจาที่สวยงามก็ชอบหอมหวานสร้างภาพให้เกิดความเห็นที่ดีที่ถูกต้องได้ เ, เรื่องของปากเหม็นก่อนตัวังปากเหม็นหรือวาดสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นในใจิตใจนั้นเป็นอย่างไรคือคําพูดที่ไม่จริง คำพูดสอเสียดหรือยุยงให้แต่กันคำหยาบคำพูดเผอเจอนั่นคือมิจฉาวาจาสี่ประการเอาไปดีแล้วก็ดมาฟังเอาที่ว่าพูดเท็จคือพูดไม่จริงลักษณะของวาจาที่ฟังดูอาจจะดีแต่มันหาความจริงไม่ได้ พอความจริงปรากฏขึ้นจ ร, จริงๆว่าอ้าวมันไม่ใช่อย่างที่พูดนีนาะมันก็จะแบบช็อกไงคือระเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แบบไม่ดีเอาไหนกลายเป็นหนังคนละมวล้วนเออหรือไม่ตรงปกหรือพูดอย่างทำอย่างนำเสนออีกอย่างหนึ่งแต่ว่าจริงๆพูดอีกอย่างหนึ่งแต่ความจริงเป็นอีกอย่างหนึ่ง ลักษณะการพูดเด็ดนี้คือพูดปลดเห็นอย่างหนึ่งแต่ก็พูดไปอีกอย่างหนึ่งว่าเห็นอย่างโน้นได้ยินอย่างนี้แต่ก็พูดไปอย่างหนึ่งว่าได้ยินอย่างโน้นคือปากยังไม่ตรงกับใจปากอย่างใจอย่างมีลักษณะของรับลมคมในมีการคมในข้องอในกระดูก หน้าซื่อใจคดหน้าเนื้อใจเสือหน้าไหว้หลังหลอกหน้าขอรับรับหลังนินทาหลังลงรักพักปิดทองคือดา น, นาปิดทองไงข้างหลังน้ำปื้อเลยได้ยินคำที่เป็นเทคำปดเนี่ยสู้ไม่ได้ยินอะไรเลยมันจะดีกว่าเพราะว่าถ้าได้ยินแล้วเข้าใจปิดไปเป็นอย่างอื่น ชื่วว่าไม่ต้องรู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงมันยิ่งดีกว่าด้วยซ้าคำพูดเท็จเนี่ยมันจึงไม่มีประโยชน์เลยต่อให้ฟังดูดียังไงก็ตามนี่คือลักษณะที่หนึ่งคือคำเท็จับไม่จริงคำพูดโกหกก็ต้องแยกแยะเพิ่มเติมีนิดหนึ่งด้วยนะเราฟังว่าถ้าเราเกิดเข้าใจผิดเราก็ได้กล่าวออกไปด้วยความเข้าใจผิดนั้น มันก็จะเป็นเรื่องของคำพูดเพชอเจด้วยนะจึงต้องใช้หลักการของเรื่องการพูดมีประโยชน์มาจับด้วยนอกจากจะต้องจริงแล้วยังควรจะให้เกิดประโยชน์ด้วยจะค่อยว่ากันในหัวข้อนั้นต่ามาประการที่สองว่าลมปากที่มันเหม็นเนี่ยคำพูดที่ไม่ดีเนี่ยเป็นลนักษณะของทุจริตต่างวาจารูจีทุจริตคือคาพูดที่ยุยงให้แตกกัน ทานใจคัาว่าพูดสอเสียดคือพูดยุโยงให้สองฝ่ายแตกรา้าเป็นลักษณะของอยุให้รำตำให้รั่วแย่ให้เข้าใจผิดเกิดความบาดหมางโกรธกันตอนรแรกๆอาจจะแค่แซวๆเฉยๆแต่นักข้อเข้านี่กระสิบกระซาบเป่าหู คำพูดที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้ก็คือนําความข้างนี้ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อให้แตกจากฝ่ายนี้หรือนําความข้างโน้นมาบอกฝ่ายนี้เพื่อให้แตกจากฝ่ายโน้นแล้ววิธีการกระทําตรงนี้ก็เป็นกระบวนการมีหลายคนร่วมกันทำมีระบบขั้นตอนลักษณะของวัศกราพราหม์เนี่ยตัวบางที่ได พวกเหล่ากษัตริย์ฤาวีให้เกิดความแตกสามัคคีกันจนกระทั่งว่าสุดท้ายเสียบ้านเสียเมืองตกเป็นเมืองขึ้นของฝ่ายแว่นมคตเลยด้วยคําพูดส่อเสียดคือคําพูดยุยงให้แตกกันซึ่งลักษณะคําเนี่ยเมื่อจะฟังดูรื่นหูก็ได้นะแต่ลักษณะคําที่ฟังแล้วรื่นหูเนี่ย ถ้ามีความที่ใส่ร้ายป้ายสีนําเรื่องไม่ดีของคนอื่นๆมาพูดต่อนี่ก็คือลักษณะนี้เลยทุกฝั่งแล้อแต่เราเอาเรื่องไม่ดีของคนนี้ไปเล่าให้คนโน้นฟังใช่ไหมลักษณะคําพูดของเราเนี่ยมันมีความเป็นการยุยงให้แตกกันนะเพราะว่าเจตนาน้อยหนึ่งมันมีแน่เอาแล้วคุณเอาเรื่องไม่ดีของคนนี้ไปเล่าให้คนนั่นก็ฟังเบื่ออะไรโอเจตนาจะเตือนเขา ตื่นก็ว่าอะไรตื่นเขาว่าคนนี้มันไม่ดีไงก็เลยให้เขาไม่สามาัคคีกันใช่ไหมล่ะเออมันมีส่วนของการพูดยุยงให้แตกกันอยู่นะแต่เราเอาเรื่องไม่ดีของคนนี้ไปเล่าให้คนนั้นฟังสิ่งที่ดีที่ควรทําต่งงางหากคือการที่แก้ไขคนไม่ดีให้เขาดีต่งงางหากไม่ใช่ว่าเอาเรื่องไม่ดีของคนนั้นไปเที่ยวแฉทุบละเพราะฉะนั้นคําพูด หรือลมปากของเราอาจจะเม่นก็ได้นะถ้าคาพูดนั้นเป็นเรื่องไม่ดีของคนอื่นและการดํมฝังพระพุทธเจ้ให้ไว้เวลาที่จะพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นคือไม่ต้องพูดถึงหรือถ้าถูกถามเจาะจงอ่ะว่าทำไมเป็นอย่างนี้พูดนิสิติอ่แต่ถ้าคนไม่ดีใช่ไหมโอ้ยไม่ได้ถามเนี่ยพูดถึงเลยเออเรื่องมันเป็นอย่างงงี้ วิ่งสามเจาะลงไปนะยิงสยใส่ไข่ลงไปอีกโอจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างง่วน่งงว น, น, งงอนโอ้ไม่ดีไม่ดีเป็นการพูดยุยงให้แตกกันเป็นปากเหม็นอย่างที่ 3, ลสลักษณะของความปากเหม็นคือพูดคำหยาบคำหยาบนั้นมีสองลักษณะจำฟังคือหยาบคายหรือหยาบโลน หยาบคาหมายถึงคำพูดที่มันแบบฟังแล้วทิ่มแทงไงฟังแล้วแบบมันระคายหูแต่ไม่ใช่ว่าเป็นคําพูดสมัยพ่อคุณรามนะเป็นลักษณะของหยาบโลนอยากอธิบายคําว่าหยาบโลนนี้สัก่อนหยาบโลนเนี่ยคือเป็นภาษาที่มันฟังแล้วไม่รื่นหูเป็นคำสมัยพ่อคุณรามก็ได้หรือเป็นเรื่องอะไรที่มันใต้เข็มขัดกันลงไปเนี่ย เป็นคำพูดต่ำซามเป็นคำพูดที่ฟังแล้วมันจะเขินอายกระดากเช่นพูดคุยเรื่องใต้เข็มกัดลงไปเรื่องที่น่าประยนต์อดสูเรื่องที่ฟังแล้วบาดหูอย่างมุกตลกบางอย่างนะจำฟังนะแมมันมันหยาบมากเลยนะหรือคุณเอาสัตว์ชื่อเรียกที่เขาไว้เรียกสิ่งมีชีวิต ือย่างเงี้ยมาเรียกมนุษย์น่าเี้เช่นตัวเงินตัว้องคำพูดอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้นะเาเรียกว่าเป็นคำหยาบโลนส่วนอีกประเภทหนึ่งที่ว่าหยาบขายหมายถึงคำที่ฟังแล้วอาจจะไม่ได้หยาบโลนแต่มันทิ่มแทงแต่มันเจ็บแสบมันระคายเคืองแสบหูฟังแล้วมันเผ็ดร้อน กระแทกกระทันแดกดันเสียดสีค่อนขอดเนบแนมคำพูดที่แช่งชักหักกระดูกงนี้เป็นต้นคำพูดกวนชวนให้โมโหนี่เป็นต้นนี่กลักษณะของ่าจายาบขายทั้งยาบคายและยาบโลนเป็นการพูดคำหยาบนี่ก็น่านะสังเกตจุดหนึ่งดูมววาว่าคนสมัยเนี้ย มักจะพูดวาจาที่มันหยาบแล้วก็จะมีความเข้าใจไปว่าใอ้นี่เป็นเรื่องเจ๋งเรื่องคู เ, เรื่องน่ายกย่องคือบอกว่าจริงใจฉัจพูดคาหยาดนี่คือฉันจริงใจคิดอย่างนี้ก็จิตใจมันหยาบไงทนผ้ฟังมีความหยาบไปยังไงก็จึงได้พูดไปอย่างนั้นเราก็ฝึกตัวเอง เพราะว่าถ้าเอ้ยบางทีใช่ความคิดเอามันห ย, ยาบๆใช่ไหมเราก็จึงพูดออกไปห ย, ยาบๆแล้วก็ค่อยๆฝึกตัวเองให้ความคิดจิตของเรามันละเอียดดีขึ้นเราก็จะพูดคําที่ไม่หยาบคายไปได้อย่าไปเข้าใจว่าไอ้การพูดคําหยาบเป็นครั้งเป็นคราวจนติดเป็นนิสัยแล้วมันจะแสดงออกถึงความที่เจ๋งความที่น่านับถือ ไม่ใช่นะจะไปมีคนิยมอย่างนั้นแต่หากว่าถ้าเราฝึกจิตให้มีความละเอียดขึ้นมีวาจาที่สุภาพความนับถือความน่ายกย่องถึงจะมีเกิดขึ้นได้หรือจะค่อยว่ากันในคำพูดที่ไพเราะตัดมาประการที่สลักษณะของความปากเหม็นคาพูดที่ทิมแต่งนั้นคือคาพูดเพอเจอ คำพูดเพ้อเจ้อจะมีอยู่สองลักษณะค่านฟังคือพูดพร่ามแล้วก็พูดเหลวไหลพูดพร่ามนั้นคือลักษณะคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียพูดเยอะๆแต่ว่าหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเป็นคำพูดที่เลื่อนลอยไม่มีน้ำหนักพูดพร่ำเพรื่อไม่รู้จักเวลาที่ควรจะพูดหรือไม่พูด หรือไม่มีสาระอะไรเลยในคำพูดเป็นชนิดปั้นน้ำเป็นตัวเป็นแต่ฝอยแต่เปลือกกระพี้หาแก่นไม่ได้คำพูดเยอะแยะไปหมดน้ำท่วมพุ่งผักปุ่งรง้องเร่งนี่นี่คือลักษณะคำพูดพรามคำพูดที่เยอะอยู่แต่ว่าสาระอยู่ตรงไหนไม่มีเป็นลนักษณะของเปอร์เจอร์แบบหนึง่ง อย่างที่สองคือพูดเหลวไหลพูดเหลวไหลนี่คือการพูดที่ไม่อิงธรรมะไม่อิงวินยัยพูดนินที่ไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงเป็นคำพูดเลอะเทอ ะ, ะเปื้อนหาประโยชน์ไม่ได้เรายกตัวอย่างเรื่องของมุกตลกหลายมุกอย่างนี้ก็ได้ทั้งหมดเห็นใช่ไหมในวงเราเนี่ยนะเากินเหล้ากันเลยใช่ป่ะโอ้คุณกินเหล้าเก่งจังเลยก็บอก อ๋ใช่ครับผมนี่หเหมือนกับมีเส้นเลือดที่เป็นแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายเลยทีเดียวล่ะพูดอย่างนี้ขึ้นมานี่ก็เนี่ยเป็นการพูดเหลวไหลเป็นคําพูดเผลอเจอทำไมอโอ้ยก็ร่างกายของมนุษย์มันเป็นอย่างนี้นี่แหลละมันก็เส้นเลือดนี่แหละแต่คุณบอกว่าเป็นเส้นที่มีแอลกอฮอล์เดินอยู่ เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยทำไมร่างกายคุณเป็นแบบนี้แต่ถ้าเขาจะไปตรวจสอบใช่ไหมคือมันมันจะไม่ได้ไอ้นี่ก็จะเถียงค่อนข้างๆกูกูอีกบอกก็เส้นเลือดนั่นแหละแต่แอลกอฮอล์มันซึมเข้ากระแสเลือดแล้วง่ายจึงเรียกว่าเส้นแอลกอฮอล์เดินกันไปคู่กันกับเส้นเลือดเลยก็แบบแถลๆไปไงแผลจนสีข้างนี่มันถลอกแล้วนี่ลักษณะคําพูดเลวไหลก็เป็นหนึ่งในคําพูดเปอร์เจอร์ ส่วนที่ว่าพูดพรามนี่ก็คือพูดเยอะแต่ว่ามีแต่ไม่มีสาระนะ่ะหรือคําพูดที่จริงแต่ว่าไม่รู้จะพูดทําไมมันไม่ได้เกี่ยวกันหรือมันจะไปเกี่ยวกันยังไงแล้วก็เกริ่นมายืดยาวพูดเกินเวลาพูดไม่ใช่เวลาที่จะพูดเรื่องนี้ต่อให้มันจริงมันมีประโยชน์แต่ไม่ถูกเวลาก็ดูเป็นคําพูดพร่ามนะ จนมีเคสของท่านพระอุทายีอย่างเงี้ยท่านไปอธิบายเรื่องความตายในงานมงคลอย่างเงี้ยเขาเป็นงานแต่งงานเป็นงานมงคลเป็นงานทำบุญวันเกิดอย่างเงี้ยเป็นไปอธิบายเรื่องความตายว่าความตายเป็นอย่างนี้นี้เขาเหมือนคนละอย่างกันมันพูดเพลชเจออย่างเงีแบบนี้คือพูดเรื่องจริงอยู่ก็จริงอะแต่ว่ามันไม่ถูกเวลา หรือไปพูดเรื่องวิธีการผลิตว่าจะผลิตอย่างไรสินค้าต่างๆในโรงงานแต่เดินไปพูดให้พวกแม่ค้าที่เขาต้องการขายของฟังเขาเขต้องการรู้เทคนิคการขายนั้นไปพูดเรื่อง manufacturing พูดเรื่องการผลิตมันก็คนละอย่างกันนี่คือพูดเพอเจอร์ละแต่ไม่ได้คำพูดทั้ง4ประการ ที่เป็นคำพูดปดพูดเท็ดพูดไม่จริงหนึ่ ง, เ ป, ดด ง, เ, งเป็นคำพูด ย, า ย, ยาุยงส่อเสียดให้แตกกันสองเป็นคำพูดหยาบคายหยาบโลนสามเป็นคำพูดเพ้อเชือพูดพ่ามพูดเลวไหลสีเนี่เป็นมิจฉาวาจาท่านบอกว่าถ้าทำบ่อยๆทําบ่อยๆพูดจนจินจนติดปากแล้วเนี่นะจะเป็นเหตุให้ไปเกิดในนรกกำเนิเตระฉัน เริดวิสัยได้หรือถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อๆไปหรือแม้แต่ชาตินี้เองก็ตามก็จะมีผลมีอนิสงฆ์ทำให้ถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงหรือจะถูกเขายุยงตะแคงรั่วถูกเขาใส่ร้ายป้ายสีจะได้ยินแต่คำที่มันบาดหูเป็นคำหยาบ จะพูดอะไรที่จะให้หน่าเชื่อถือเนี่ยคนเขาก็จะไม่เชื่อพูดถ้อยคำที่จะให้เกิดความไว้วางใจได้ยากอั น, นิสงค์คือผลแลนก็เหม็นไงพอเราพูดวาจาที่เหม็นเหมนคนเขาก็หนีไม่อยากอยู่ใกล้ด้วยไม่อยากพูดด้วยลมที่ออกจากร่างกายเป็นลมภายในนี่แล้เป็นลมปากนี่นะมันพาไปไม่ดีได้ แต่ไม่กายของเรานั้นสิ้นสุดเป็นไร้ประโยชน์หาค่าไม่ได้ก็ได้แต่ในทางตรงกันข้ามตัมบูฟังแต่เป็นลมปากที่หอมลมปากที่หวานลักษณะก า, ารพูดนั้นคือเป็นมงคลคำพูดที่เป็นปากเหม็นเนี่ยคือเป็นอั ป, ปมงคลคำพูดที่เป็นมงคลคือคำพูดจริง ยิ่งประโยชน์ปราศจากโทษมีเมตตากรุณามีเหตุมีผลที่จะสามารถดลใจให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างถูกต้องฟังดูแล้วมันไม่รู้จักเหนื่อยนายเป็นคำพูดที่ดูดดื่มเหมือนกินน้ำผึ้งอย่างนี้กินได้เรื่อยๆของหวานๆเนี่กินได้เรื่อยๆผู้ฟังฟังแล้ว มีความทราบซึ้งเบิกบานได้ประโยชน์เป็นลันกษณะของวาจาสุภาษิตเป็นวาจาที่หาตัวไม่ได้คนฟังดีใจแล้วผู้อื่นที่เป็นผู้รู้เขาได้รู้ว่าคนนี้เขาพูดเรื่องนี้ไม่ได้ฟังในรายละเอียดก็ตามรู้เพียงหัวข้อเนี่เขาก็สรรเสริญเพราะว่าเป็นวาจาที่ประกอบด้วยธรรม ประกอบด้วยวินัยไม่เป็นวาจาที่ก่อให้เกิดความไม่ชอบโดยกฎหมายเป็นอาญากรรมไม่เป็นวาจาที่ทาให้เกิดการจับสตราวุธเข้าประาชประหารกันไม่ยุแย่เป็นคำพูดที่ช่วนให้รักใคร่กันลนักษณะของวาจาที่เป็นสุภาษสิทิ์เป็นทั้งหวานเป็นทั้งหอมด้วยคือมีสี่อย่างตรงข้ามกันตุหวัง คือเป็นคำพูดจริงดีมีประโยชน์อย่างที่สองนั่นคือคำพูดสมานไมตรีอย่างที่สามนั่นคือคำพูดไพเราะหรืออย่างที่สี่นั่นคือคำพูดที่มีประโยชน์เอาอย่างแรกก่อนดูฝังลักษณะของการพูดจริงพูดจริงคือคำแท้คำจริงซึ่งคำแท้คำจริงนี่ก็เห็นอย่างไรก็พูดไปว่าเห็นอย่างนี้ได้ยินมายังไง ก็พูดไปว่าได้ยินอย่างนี้ซึ่งลักษณะคำจริงก็จะมีอยู่สองอย่างคือคำจริงที่ดีกับคำจริงที่ไม่ดีมันมีคำจริงที่ไม่ดีด้วยหรอมีสิทุกฝั่ ง, งเพราะลักษณะคำจริงที่ว่าถ้ามันไม่ได้เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นธรรมคือคำจริงที่ไม่ดีคำจริงที่ไม่เป็นประโยชน์และไม่เป็นธรรมก็จะไปผิดลักษณะ เรื่องของคำพูดเพอร์เชอร์ไงคำพูดเพอร์เชบางอย่างเป็นจริงนะแต่มันไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นธรรมแล้วจะพูดไปทำไม่ไมัยคำจริงแบบนี้ไม่ดีคือจริงอยู่แต่ว่าเป็นความทจจริงทั่ ว, วไปไม่ได้จะเกิดประโยชน์นไปการใช้งานได้หรือให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมมันก็ไม่ไม่ดีนะเช่นข่าวบางข่าว เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆนะแต่ว่าคุณลงแล้วเราอย่างไงมันจะเกิดประโยชน์อะไรเช่นลงข่าวเขาขากาฆ่ากันลงข่าวเรื่องดราม่าอย่างเงี้ยน ะ, ะด้วยข้อว่าเออลงเพื่อให้สังคมมันรับรู้ว่าเออคนไม่ดีแบบนี้ก็มีในโลกเพื่อเขาจะหยุดทําชั่วโธ่เมื่อวีนะลงข่าวนี้ดราม่ายิ่งมากกว่าเดิมอีกก็จึงต้องมีการเซ็นเซอร์ไงทุกัง เรื่องจริงบางเรื่องเนี่ยมันพูดแล้วมันไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เขามีข้อเท็จจริงนั้นมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ดีไปพูดจริงอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะดีเรื่องที่ไม่ดีก็มีไม่ควรพูดความจริงในข้อนั้นเราคนเราเนี่ยนะเวลาบอกว่าไม่ต้องพูดความจริงในข้อที่ไม่เป็นประโยชน์ ก็เจะกลายเป็นว่างั้นฉันก็พูดเท็จได้เหรอนี่ไงกิเลสมันเอาเราสองทางเสมอพอจะให้เราทําดีเราทําไม่ได้พอไม่ทําดีพวกก็กลายเป็นดาชั่วไปเลยที่พูดว่าไม่ต้องพูดคําจริงที่ไม่มีประโยชน์ก็ได้ไม่ได้หมายความว่าให้ไปพูดโสดเลยนะหมายถึงคุณไม่ต้องพูดไงไม่ต้องพูดคําจริงนั้นไม่ใช่ว่าให้พูดโกหกนะจ๊ะไหมถ้าจะพูดพูดคําจริง ที่ดีมีประโยชน์หรือคำพูดที่เป็นลักษณะอย่างนี้ก็ไดดกฟังว่าเป็นคำพูดแบบแก้ตัวนะคำพูดแก้ตัวที่ถึงแม้ว่ามันจะจริงก็ตามนะเช่นเราเคยบอกว่าเออฉันอยากจะกินอันนี้แต่พอถึงเวลาเขาเอาอันนี้มาให้กินโอ้ตอนนี้ไม่กินแล้วเพราะว่ามันอิ่มแล้วเอ้าเขาก็เลยจะมาโทษเราหบอกว่าอยากจะกินเมื่อกี้ กเมื่อกี้มันอยากจะกินอยู่ตอนนี้อิ่มแล้วก็เลยไม่กินคือคำพูดแบบนี้แก้ตัวเนี่ยคือมันจะจะเป็นจริงๆก็ได้ใช่ไหมว่าเขาฉันอิ่มแล้วจริงๆเก็เลยไม่พูดพูดอย่างเงี้ยมันไม่เกิดประโยชน์ถึงก็เป็นจริงๆแนะ่ใช่ปะ่ะแต่คำพูดที่จะเกิดประโยชน์ในสถานการณ์อย่างเงี้ยคือควรจะขอบคุณคนที่เขาเอามาให้เราเออหนึ่งนี่สิมันถึงจะดีกว่าเพราะว่าเป็นคาที่ จริงๆอะว่าเราก็ขอบคุณคุณนะที่ว่าคุณได้อุสตส่าห์นํามาแต่ว่าฉันอิ่มแล้วจริงๆแต่จะพูดไอ้คําว่าฉันอิ่มแล้วฉันเลยไม่กินมันก็จะเสียน้ําใจเขาใช่ไหมคำขอบคุณเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมในการพูดตรงจุดนั้นเป็นคําจริงด้วยนะเออการพูดแก้ตัวมันจึงไม่จําเป็นหรือคําถามบางอย่างพอเราถามไปด้วยคิดว่าอย่างนี้โยเตัียงเช่น ทุกวันจันทร์ที่ในกรุงเทพมานะก่อนในตมวังเขาก็จะให้งดมีการค้าขายตามแผงลอยต่างๆหลานบารล็อพูตรงถนนไกรสีที่ข้าพเจ้าจะไปบินบลาด อ, อยู่เป็นประจำโอ้แผงลอยต่าง ๆ, ๆเขาก็จะไม่มาขายของกันถ้าเกิดมีคนพูดขึ้นบอกว่าโอ้ oh, วันนี้ก็ไม่ขายของกันเลยเนี่ยทำไมล่ะโอ oh, วันนี้วันจันทร์เขางดการขายกันโอ้ oh, คิดว่าเขาจะขายกันทุกวันไอ้คำพูดแบบที่คิดว่าเขาจะขายกันทุกวันเนี่ยคือคุณไม่ต้องพูดก็ได้ก็มันไม่เกิดประโยชน์อ๋อรู้ลรู้ลพูดอย่างนี้ยังจะดีกว่าโอ้ขอบคุณมากเลยที่ให้ข้อมูลพูดอย่างนี้ยังมีประโยชน์กว่าดีกว่าเราคิดไว้ตอนแรกก็ไม่รู้จะพูดเ อ, อะไรเพราะว่าเขาให้ความรู้แล้ ว, ลวเราก็รู้ขึ้นมาแล้วเราจะพูดเรื่องที่เราไม่รู้ก่อนหน้านั้นที่ตอนนี้เรารู้แล้วพูดเพื่ออะไร มันไม่มีประโยชน์ไงเแาจะมีคนถามว่าคุณพูดเพื่ออะไรเธอก็เลยพูดอย่างนี้ออกไปก็มันไม่มีประโยชน์ไม่ต้องพูดต่อคํานี้เพราะฉะนั้นคําพูดบางคําต่อให้จริงใช่ไหมแล้วไปต่อคําของเขาเนี่ยไม่ต้องพูดการพูดต่อคําด้วยคําจริงที่ไม่มีประโยชน์มันก็เลยไม่ดีมันก็เลยเป็นคําพูดที่จะเหม็นด้วยชั่วไม่ต้องพูดเลยดีกว่าตังาง้งไวหรือพูด ขอบคุณพูดขอโทษพูดให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันยังจะดีกว่าจึงเป็นหัวข้อต่อไปในคาพูดที่หอมหวานคือคาพูดสมานสามัคคีกันพูดสมานใหม่ตรีกันคำพูดที่ทำให้คนที่ไม่รู้จักกันให้รู้จักกันดียิ่งขึ้นคำพูดที่ชักจูงคนที่ชอบพอสนิทสนมกันอยู่แล้ว ให้สนิทสนมกันมีความมั่นคงกันยิ่งขึ้นพูดชักนำให้คนที่รู้จักกันแล้วเขาชอบพอกันคนที่ชอบพอกันให้สนิทสนมกันให้มั่นคงยิ่งขึ้นนี่ลักษณะของคำพูดที่ขูดไมไตรีสมานไมตรีแน่นอนดังฝังว่าคำพูดนั่ น, นะจะต้องประกอบด้วยเมตตากรุณามุรีตาอุเบกขาแน่เลยนะ ไม่เป็นคำพูดที่ให้เกิดความอิจฉ า, า, า, า, าริษยาอาฆาตมาดร้ายแต่เป็นลนักษณะคำพูดที่ให้เกิดความตั้งมัน่นให้เกิดความเป็นกลุ่มเป็นก้อนหลือเลี่ยงการทะเลาะวิวาทบาทหมางเป็นคำพูดที่ประสานประโยชน์คือเป็นลนักษณะกุศุลบายความคิดนึกที่ยยบกาเลยทีเดียวละถึงสามารถที่จะพูดคำพูดแบบนี้ออกมาได้ ไม่ว่าคำพูดนั้นจะเป็นกลุ่มน้อยๆหรือกลุ่มใหญ่ก็ตามกลุ่มน้อยๆอาจจะเป็นเพื่อนสามสี่คนอย่างนี้ในกลุ่มของเราถ้าเราจะพูดแล้วให้เกิดความขัดเคลื่องใจกันเนี่ยอืมไม่พูดดีกว่าแต่ถ้าจะพูดให้เกิดความขัดเคลืองนั้นคลายลงไปหายไปเออเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยอุเบกขาแน่เป็นคำพูดที่ประกอบด้วยกรุณาแน่คำพูดแบบนั้นเนี่ยควรจะพูดกัน เ น, นี่ยนอนนะทุกฝังว่าต้องไม่ใช่เรื่องแก้ตัวไม่ใช่เรื่องโกหกใช่ไหมถ้าเราทําผิดกันในเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยนะก็พูดตรงๆไปเลยไอ้ฉันผิดฉันขอโทษเออคําพูดแบบนี้ฟังแล้วมันน่ารื่นหูกว่าเป็นคําพูดที่ประสนานไมตรีแล้วก็ไม่ได้โกหกด้วยไงบอกคุณอาจจะแก้ไขได้บ้างบ้างน้อยบ้างเร็วบ้างช้าบ้าง มันก็ความสมาค ร, รามันไม่เท่ากันแต่พูดอย่างนี้ออกไปมันจะเกิดความสบายใจเกิดความที่แน่นแฟน้นเกิดความสามัคคีปรองดองพอใจคนที่เขาสามัคคีกันอยู่แล้วให้สามัคคีกันเพิ่มขึ้นยินดีในความปรำเปรียงพอใจในความปรำเปรียงกล่าวแต่วาจาที่ทําให้เกิดความปรำเปรียงกันสมัครสมานสามัคคีกันดีเป็นวาจาที่หอมหวาน ฟังแล้วดีมากซึ่งคนที่เขามีวาทศิลป์หรือศิลปะในการพูดนี่นะเกษตรเจ้าเคิเห็นเคยได้ยินเขาสามารถหยิบยกสิ่งต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกันมาพูดประสานประโยชน์กันได้หมดเลยไม่ว่าจะหยิบเรื่องท้องฟ้าต้นไม้การาจราจรอากาศร้อนอากาศเยน็นมาเชื่อมโยงพูดเกี่ยวเนื่องให้คนสามัคคีกันมีจิตใจน้อมไปในทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเรื่องสังคมการเมืองสถ า, านการณ์อะไรต่างหยิบมาพูดให้เกี่ยวเนื่องกันสอดคล้องไปในทางเดียวกันนี่คือมีวาทศิลป์เนี่ยมากเลยลักษณะการพูดจานี่เป็นประโยชน์ถัดมาในประการที่3คือคำพูดไพเราะคำพูดไพเราะนั่นคือคำพูดที่ฟังแล้วมันอ่อนหวานนุ่มนวลสบายหูคืออย่างที่ เปรียบเทบส่วนต่างในเรื่องของคำหยาบใช่ไหมมีคําหยาบกายและคําหยาบโลนคําพูดไพเราะนี้ก็มีสองลักษณะเหมือนกันคือคําพูดที่ดูดดื่มและคําพูดที่อ่อนหวานคําพูดที่อ่อนหวานก่อนก็คือคําพูดที่สุภาพคําพูดที่ประกอบด้วยระเบียบถ้อยคําที่สละสลวยฟังแล้วมันไม่เหมือนเป็นเข็มทิ่มแทงก็ตรงกับคำหยาบโลนนั่นเอง แต่คำพูดที่อ่อนหวานส่วนในคําพูดประเภทหนึ่งคําพูดที่ดื่มดําดูดดื่มคือคําพูดที่ฟังแล้วอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาสระสรวยคําพูดที่อ่อนหวานภ า, ภาษาสระสรวยเนเช่นคํากรนฟังแล้วมันคล้องจองกันแหมมันรื่นหูฟังแล้วมันสมูทไปอย่างงี้นะเส้นเพลงบางเพลงมันมีคําต่อเนื่องอะไรกันไปสวยงาม แต่คำพูดที่ดูดดื่มเนี่ยคือคำพูดที่เปล่งออกมาจากใจจริงมีคติธรรมมีอัตราปยัญชนะฟังแล้วจับใจคือาจจะไม่ได้มีอักษสรสละสรย้ยแต่สามารถเปรียบเทียบสิ่งไรต่างๆได้ได้งดงามเนี่เออนี่คือพูดดูดดื่มดื่มดำก็ต้องพูดอย่างนี้ด้วยนะว่าคำพูดอ่อนหวานบางอย่างกลายเป็นคำหยาบได้ นั่นคือหยาบคายคำพูดหยาบโลนบางคำก็เป็นคำพูดดูดื่มได้ทีไรท้ายมันดีทั้งสองอย่างเนี่ยได้พูดไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าคนในยุคสมัยนี้บางทีอาจจะเห็นคำพูดหยาบโลนบางคำว่าเออเป็นเรื่องที่น่ายกย่องเป็นสมัยนิยมเป็นเรื่องที่เจ๋งเรื่องครูอย่างนี้แสดงถึงความจริงใจ ก็ลักษณะคำจริงใจคือคำพูดดู ด, ดื่มว่าล่ะเราให้คำพูดดูดดื่มเนี่ยอ่อนหวานก็ได้มันยิ่งจะดีเพราะว่าถ้าคำพูดดูดดื่มนั้นเป็นคำพูดหยาบโลนมันก็มีความเศร้าหมองกับมันอยู่แต่ได้คำพูดที่ดื่มดาลึกซึ้งกินใจเป็นคำพูดที่อ่อนหวานด้วยแม้ยิ่งดีมากซึ่งลักษณะตรงนี้เาตีว่าอาจจะทม บางคนบางท่านเขาจะบอกว่าฉันไม่ได้เป็นคนอย่างนี้เงี้ยฉันกลายเป็นคนไม่จริงใจหรืออันนี้คือเราฝึกจิตของเราให้มีความละเอียดลงต่อมาฟังลักษณะความหยาบคายในจิตของเราเนี่ยมันออกมาในหลายรูปแบบอาจจะออมาในรูปของคําพูดด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นได้สมมติเราฝึกนิสัยให้เรามีความละเอียดประณีตมีความพูดจาภัยราบทางนิวาเราอาจจะแบบไม่ได้ คิดจะพูดอย่างนั้นหรือบางคนเนี่ยไม่จริงใจอะ่ะแบบคิดจะหักหลังเขาแต่ว่าก็มาพูดดีๆอะไรต่างนี่คือประจบสอพใช่ไหมล่ะเอ้ยคุณพูดดีๆอ่ อ, อนหวานดื่มดำดูดดื่มเนี่ยมันจะกลายเป็นประจบสอพอเอาก็ถ้าเจตนาเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเจตนาเราไม่ได้จะจะประจบสอพอแต่ต้องการให้เกิดประโยชน์จริงๆ เราใช้คำพูดอ่อนหวานดู ด, ดีเออมันยิ่งจะดีเป็นการลักษณะที่ว่ารักษาน้ำใจกันเอาไว้ได้เป็นคำพูดผูกมิรถ้าผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อยดีๆก็เป็นคำพูดที่น่าเคารพนับถือเจอกันครั้งแรกต้อนรับกันด้วยวาจาที่ไพเราะมันดีกว่าที่ว่ามาทำอะไรใครใช้มาพูดแบบเสียงแข็งๆอย่างเงี้ยการต้อนรับแบบนี้มันไม่ดีไง และต้ตอนรับด้วยวาจาที่ประณีตปฏิสันทางกันด้วยความลึกซึ้งดื่มด่ำต้อนรับอย่างดีโดยปิยาวาจาเมันดีกว่าเป็นคาไพเราะแล้วถ้าผููน้อยพูดกับพูดใหญ่อย่างนั้นคือเป็นลักษณะคําพูดที่เหมาะสมเป็นคําพูดไพราะคําพูดไพเราะที่ทั้งลึกซึ้งดื่มด่ำ อ่อนหวานน่าฟังนี่จะเป็นคำพูดที่ชโลมใจของผู้ฟังได้ด้วยระเบียบเพียญชนะที่สบายหูจะสามารถทำจิตของคนฟังเนี่ยจากแข็งกระด้างอยากคายให้สุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลลงได้เหมือนกับเอาน้ำเย็นเนี่ยซึมซาบอาแผ่นดินที่มันร้อนรุ่มอยู่ให้เย็นได้ ทำจิตที่แข็งให้อ่อนได้ปราบใจของคนแข็งกระด้างให้อ่อนโยนเหมือนไฟที่กำลังลุกโลงโปร่งอยู่นี่จิตใจของบางคนเป็นอย่างนั้นใช่ไหมพอเจอวาจาที่นุ่มนวลนอนหวานไพเราะน่าฟังฉุลมลงไปนี่เอาน้ำเนี่ยาราดลงไปเลยไฟมันก็ดับลงก็เกิดความเย็นความชุ่มชื้นขึ้นมาแทนนี่ลักษณะของวาจาที่ไพเราะ ถัมาข้อที่สี่คือวาจาที่มีประโยชน์มีประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยคำพูดที่มีประโยชน์นั้นก็จะต้องประกอบด้วยการเวลาที่เหมาะสมด้วยเป็นประโยชน์มีหลักฐานที่อ้างอิงพูดในเวลาที่เหมาะสมแน่นอนนะว่าก็ต้องเป็นคำจริงด้วยจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าถ้าจิตใจเราไม่ได้คิดเป็นอย่างนั้นเช่นจิตใจเราปยาบาดก็อยู่ ใจิตใจเราคิดไม่ดีต่อเขาไม่ได้อยากให้เขาจะได้ดีหรอกแต่ก็ต้องพูดดีๆไปตรงนี้พอเราว่าจะพูดออกไปว่าโอเคฉันคิดดีกับเธอนะจะอยากให้เธอได้ดีนะแต่ในใจเราไม่ได้คิดอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราปรับจิตของเราไงคำพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยมันก็ชนโดมจิตใจของเราด้วยก็จึงเป็นการปรับจิตของเราเป็ น, นตัวด้วย การกระทำต่างวาจามันก็มีผลต่อใจนะท่านแลาวนี่เป็นการพูดตอแหลป่ะหรือคนที่เขาพูดโกหกอย่างเงี้ยเขาคิดไม่ดีอยู่แต่เขาก็พูดดีๆหลอกให้เราเข้าใจว่าเขาจะเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็เลยเข้าใจว่าเขาเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยไว้เนเชื่อใจเขาถึงจริงๆเขาเป็นคนไม่ดีด้วยวาจาดีๆของเขาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่พูดดีๆเนี่ย มันไม่มาหลอกลวงฟังดูดีนะคุณคนที่จะดูได้ว่าสะอาดหรือไม่สะอาดบูฟัง <c oughs> ก็ดูด้วยที่กันพูดจากันพูดจานั้นต่อหน้าด้วยระหว่างลหลายๆคนพูดด้วยกันอย่างหนึ่งอยู่สองคนพูดกันยังไงอยู่สามคนพูดกันยังไงดูตรงนี้ว่าวาจสาสะอาดหรือไม่ เพรถ้าเราปรับจิตก็เราได้ในความที่ว่าเออฉันจะเป็นคนตรงเป็นคนสะอาดฉันไม่ได้คิดดีกับคนนี้หรอกว่าฉันไม่ะค่อยชอบเขาในเรื่องนี้เรื่องนี้เออแต่ว่าฉันก็ต้องพูดดีไปก่อนพูดดีกับเขาจะมาต่อหน้าก็อย่างนี้ใช่ไหมรับหลังคุณก็พูดอย่างนี้ด้วยนะสิบคนคุณก็พูดอย่างนี้ด้วยนะห น, นึ่งคนคุณก็พูดอย่างนี้เลยนะเนี่ยจะเป็นการบังคับปรับจิตของเราไปในตัวเอาใหม่นะเอาใหม่นะสมมุติ คนคนหนึ่งไม่ใช่ตัวเราก็อาจะคิดไม่ดีกับเราโอเคไม่มีปัญหาดีด้วยท่าทางการเดินท่าทางการยิ้มทรงผมหรือหน้าตาเราหูทำไมมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยทําให้เขาอาจจะไม่พอใจก็ได้อย่างใดอย่างหนึง่งพอก็ไม่พอใจแล้วแต่ว่าเขาก็พูดดีกับเรามากๆเลยนะเขาพูดต่อหน้าเราอย่างนี้ใช่ปะ่ะแต่ถ้าคนนั้นเขไปพูดลับหลังอีกอย่างหนึ่งหรือไปพูดกับเพื่อนเขา สองคนคนนี้แบบหนึ่งแต่พอไปพูดกลุ่มใหญ่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแบบหนึ่งแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกันนี่ก็คือดินตานเราอย่างนี้แหละหรือพูดเรื่องไม่ดีของเราในขณะที่ต่อนหน้าเราพูดดีๆอันนี้บอกได้แล้วว่าคนนี้เป็นคนต่อแหลเป็นคนที่ไม่สาอาดถ่ะดูได้ที่คำพูดจาแต่ถ้าใจิตใจเขาอาจจะไม่ได้คิดดีกับเราก็ตามนะสมมตินนะสมมตินนะ แล้วเขาพูดต่อหน้าเราดีๆพูดรับหลังเราก็ยังพูดดีๆพูดกับสองคนพูดกับ3ามคนก็ยังพูดดีๆแต่ในใจเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดดีหรือไม่ดีสมมุติว่าเขาคิดไม่ดีก็ตามนะมันยังดีป่ะท่นผู้ฝังดีนะเพราะอะไรเพราะเขาก็พยายามปรับจิตปรับใจของเขาเหมือนกันไงเขาก็พยายามปรับจิตของเขาให้มันตรงให้มันดีคิดดีกับทุกคนได้ไม่คิดไม่ดีกับใครเราเองก็ควรจะทําอย่างนั้นเหมือนกันไง เพรนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องโกหกไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแต่เป็นลักษณะคําพูดที่จะแก้ไขจิตใจของเราเจตนาเพราะว่าจะพูดอะไรไปมันต้องเจตนาเจตนาอย่างนี้เราก็ปรับเจตนาของเราได้แก้เอาสิจากสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นมาลักษณะเมื่อกี้คือเสริมเติมในเรื่อ ง, องคําพูดที่ไพเราะนะแต่นี้กลับมาจุดที่ว่าคําพูดที่มีประโยชน์เนี่ย นอกจากบ้างจะมีประโยชน์แล้วต้องเหมาะสมกับเวลาด้วยเราก็ยังต้องถูกกับสถานที่บุคคลหรือชุมชนกลุ่มคนนั้นๆด้วยคำพูดนั้นจึงจะเป็นคำพูดที่มีประโยชน์แล้วก็ถูกเวลาแล้วฟังแล้วเขาจะพอใจไหมคำพูดที่มีประโยชน์บางคำฟังแล้วรับไม่ได้นะ ก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่าคุณไปพูดเรื่องความตายความจริงของความตายเนี่ยในงานมันเกิดอย่างนี้เป็นต้นนี่ฟังดูแล้วนี่เขาจะรับไม่ได้นะสรุปว่าคุณใกล้ความตายก็ไปวันหนึ่งแล้วนะปีหนึ่งแล้วนะโอยเป็นความจริงที่บางทีมันก็สะเทือนใจน ะ, ะถ้าฟังแล้วเขาสะเทือนใจบางทีต้องหาเวลาเหมาะสมที่จะที่จะพูดนะ ไม่ใช่พูดได้ทุกโอกาสก็จะเป็นจังหวะโอกาสที่เขาจะยอมรับฟังในเรื่องของวาจาทั้งสี่ประเภทที่เป็นไยลมปากเหม็นกับลมปากห อ, อมเป็นเรื่องของลมที่ออกจากภายในของเราลมทางกายนี่แหละท่านฟังออกจากกายไปข้างนอกผ่านหลอดเสียงเป็นลมปากการขยับของหลอดเสียงก็คือการปรุงแต่ง กองกายที่จิตเราไปบังคับนั่นเองจิตเราไปบังคับปรุงแต่งแบบไหนมันก็ออกไปเป็นแบบนั้นลมปากเรามันจึงแก้ไขปรับปรุงได้จากเจตนาจากจิตเราที่ฝึกที่กระทําความเพียรจึงมีผลขึ้นมาได้นอกจากนี้ท้าฟังเรื่องของลมที่เป็นลมปากแล้วอยากจะพูดถึงเรื่องลมปราณสักนิดนึงก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ ลมปรานกืลมหายใจนันเองตั้งแตันลมปรานหายใจเข้าหายใจออกร่างกายของเราเนี่ยก็ให้ความตายเข้าไปลมหนึ่งลมหนึ่งหายใจครั้งหนึ่งร่างกายของเราเนี่ยมันอหล่อเลี้ยงร่างกายด้วยลมหายใจเนี่ยหล่อเลี้ยงร่างกายให้มันอยู่ไปได้ถ้าไม่มีมันก็อยู่ไม่ได้ถ้ามีมากเกินไปมันก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วอากาศที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยมันเป็นการเผาผลาญ เป็นการเผาผลาญมันต้องการหลมการเผาผลาญเนี่ยมันจะไม่แก่ลงแก่ลงไม่หายใจก็ไม่ได้หายใจต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปมันก็มีวันหมดเหมือนกันหล่อเลี้ยงมันก็คือทำลายอันเดียวกันที น, นี้นอกจากหล่อเลี้ยงร่างกายมองอีกมุมหนึ่งทำลายก็ได้เนี่ยนะให้ลมหายใจเนี่ยมันหล่อเลี้ยงจิตใจได้ไหมยอย่าให้ลมหายใจเนี่ยทำลายจิตได้ไหมลมหายใจที่ทำลายจิตก็คือ เลือเปลืไปลมหายใจที่หล่อเลี้ยงจิตใจก็คือมีสติสัมปชัญญะนั่นเองถ้าลมหายใจก็เรามีสติสัมปชัญญะลมหายใจนั้นจะเรียกว่าหล่อเลี้ยงร่างกายด้วยวเรียกว่าหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยให้จิตใจเราไปสู่ความเป็นอมตะคือความไม่ตายได้ลมหายใจที่ว่าถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะมีความเลื้อเป ล, เลืนไม่สังเกตเห็นลมหายใจอะไรเลย ลมหายใจเนี่ยทำให้นอกจากกายจะตายแล้วจิตก็ยังอ่อนกํำลังด้วยไม่ดีเลยหายใจลมภายในให้เป็นการให้อาหารจิตใจของเราด้วยให้จิตใจของเรานั้นเข้าสู่ความเป็นธรมตะคือว่าไม่ตายได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นวันนี้นําเสนอว่าด้วยเรื่องของลมลมภายในลมปากแล้วก็ลมปราณ ท่านสามารถที่จะติดตามรับฟังช่วงของใต้ร่มพฏิบท์ได้ในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆรายการนี้จะโดยมูลนิธิปัญญาปวนารวมกับทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้ชาพระมหาภัยบูณ์พปุนโน เป็นผู้ดำเนินรายการท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุรินทร์บน